องหลับตาฝันเป็นตัวเป็น ต, ตาตื่นขึ้นมา แล้วก็นำมาไล่ฟังเมญิยาปรามปรกาการ์ณาหลังจากที่ลึกๆในกเรียนรบาได้ฟังแนวทางในการเผยแผ่พระพทธศาสนาวิชาทํากายในพุทธนารทที่ผ่านมาครูปิย์หญ่ได้นำมาไล่ฟังเมื่อตอนที่แล้วมาถึงจุดนี้นเรียนรบาบางคนอาจจะเกิดอารถศึก สงสัยใครรู้ขึ้นมาว่าในยุคสมัยนั้นคณะสงฆ์มีการสืบทอดหลักธรรมคำสังสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยวิธีการอย่างไรและทาไมธรรมหาเซนาวดีจึงสามารถศึกษาหลักธรรมคำสังสอนในพระพุทธศาสนาได้อย่างแตกฉานจนสามารถนํำมาความรู้ที่ได้ศึกษามานั้น่ะ วางเป็นหลักสูตรในการฝึกฝนอบรมต น, นเองได้อย่างมีมาตรฐานอีกทั้งยังสามารถวางระบบระเบียบแบบแผนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อีกด้วยสำหรับรูปแบบหรือแนวทางในการสืบทอดหลำำักธรรมคงสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในพุทธานดาวที่ผ่านมาณนะ ช่วงเวลาที่หมู่คณนะของเราลงมาเกิดสร้างบารมีนั้นเ อ, เอาเฉพาะช่วงนี้นะเจ้าจะอาศัยการท่องจำและถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นหลักแบบมุขปาฐะาาโดยพระโบราณอาจารย์ในยุคส ม, มัยก่อนก่อนนูน้นพะท่านได้ยินได้ฟังธรรมาจากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้ว ทานก็นจะนำธรรมะเหล่านั้นมารวบรวมแล้วก็เรียบเรียงต่อๆกันให้เป็นบทกลอนบทกลอนในยุคนั้นนะจะเพื่อความสะดวกต่อ ก, การท่องจําและการถ่ายทอดให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อๆกันไป<อ>หลังจากที่พระโบรณอาจารย์ในยุคสมัยก่อนก่อนนู้ดได้รวบรวมและเรียบเรียงธรรมะเป็นบทกลอนแล้ว ก็จะพยายามท่องจำธรรมะเหล่านั้นให้คล่องปากและขึ้นใจหรือไม่เราก็จะแบ่งกันท่องจำเป็นจนๆตามความถนัดหรือความชอบของแต่ละรูปเช่นธรรมะคือคุณากรอะไรงี้ธรรมะคือเก<อ>่งมากละละ <laughs> แล้วมันไม่ลูกสิบเราขอเรียนธรรมะจากท่าน ท่าก็จะถ่ายทอดธรรมที่ท่านทรงจำมาให้กับลูกศิษย์เหล่านั้น oh. ที่พระม่านี่ยังมีอยู่ในใจเ oh. oh, นี่ยโอ้นี่นี่นะหลวงพี่อูของเราเนาะ oh. นี่ท่าน ท, ทองได้สองพิดกแล้ว oh. นี่ท่านเป็นพระมหาเถรพะผู้ใหญ่รูปหนึ่ง oh. ที่พระม่าอย่เดียวอ๋อ oh, อีกพิดกเดียวเดี๋ยวก็ได้แล้วเนาะ oh. แล้วเมื่อมีลูกศิษย์มาขอเรียนธรรมาจากท่าน แล้ก็จะทายทอดธรรมะที่ท่านทรงจำมาให้กับลูกศิษย์เหล่านั้นโดยให้ลูกศิษย์เหล่านั้นท่องจํำธรรมะจนคล่องปากและขึ้นใจเหมือนอย่างตัวท่านแล้วจะหาลูกศิษย์คนไหนสามารถทรงจํำธรรมะจากท่านได้ทั้งหมดแล้วอีกทั้งยังมีความปรารถนายอยากที่จะศึกษาธรรมะเพิ่มเติมให้มากยิ่งขึ้นไปกว่า น, นี้ท่านก็นจะทรงลูกศิษย์คนนั้นให้ไปศึกษาธรรมะจากพระอาจารย์ท่านอื่นตอบฝ่ นอกจากพระโบราณอาจารย์ในยุคสมัยกันก่อนนู้นจะใช้วิธีการนั้งจําหลักธรรมคำตั้งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถ่ายทอดสืบต่อกันมาแล้วยังมีพระโบราณอาจารย์บางส่วนใช้วิธีการจดบันทึกหรือเขียนจารึกหลักธรรมคําตั้งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในคัมภีร์และก็ว่าไปกับลูกเิร็จรุ่นหลังๆสืบต่อกันมาอีกด้วย อย่างในยุคนี้ก็มุขขปฐามาทั้งหลายร้อยปีกว่าจะบันทึกเป็นเป็นครรมภี์ใช่ไหมเจ้ า, าหลายร้อยปีทีเดียวของพระสมาสุจริตของเราเพราะองค์นี้นี่ยเจ้าแต่การที่พระโบราณอาจารย์เหล่านั้นจะมอบครรมภี์ให้กับลูกศิษย์นั้นากน้ลิยท่องจำธรรมะที่อยู่ในคมภีร์ให้ได้ทั้งหมดก่อนแล้วเมื่อลูกศิษย์คนไหนสามารถท่องจําธรรมะได้ทั้งหมดแล้ว ท่านยังจะมอบคำพิจารึกธรรมะให้กับลูกศิษย์คนนั้นเผ oh. ื่อไว้ทบทวนและก็เป็นรางวัล้วยเป็นกำลังใจให้ปลื้มหลวงพี่อูนะ่าจะได้สามปิดกเนอะ <Yeah. S 1> ลำพึงไปเรื่อยๆญ <c oughs> าติสวรรท่านมหาเสนาบดีนั้นแต่เ <Okay. S 1> ราย้อนเหตุการณ์กลับไปในช่วงที่ท่านเพิ่งออกบวชและพระมหาเถระ หรือคุณยาจางเรายัางไม่ละสังขารแต่มหาเสนาบดีก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถในการทรงจําหลักธรรมคำํำสอนของครูบาอาจารย์เป็นอย่างมากเพราะตั้งแต่วันที่ท่านได้มาเรียนธรรมะ ก, กับพระมหาเถระท่านก็ได้ใช้ความพยายามท่องจําธรรมะที่พระมหาเถระได้เมตตาถ่ายทอดให้กับท่าน อย่างเต็มที่อีกทั้งตัวท่านยังได้อาศัยการจดบันทึกเพื่อช่วยจําและเก็บเอาไว้ทบทวนอยู่เสมอๆ อ, อ, อีกด้วยแล้วในสุดผลในความเพียรพยายามของท่านมหาเสนาบดีนี้เองจึงทํานไม่ตันมหาเสนาวดีสามารถทรงจําธรรมที่พระมหาเถระแต่เมตตาถ่ายทอดกับตัวท่านได้ทั้งหมดถึงแม้ว่าท่านมหาเสนาวดี จะสามารถทรงจำธรรมะได้ทั้งหมดแล้วก็ตามแต่ตัวท่านก็นไม่เคยประมาทหรือจะลาใจเลยแล้วท่านยมันทบทวนธรรมะเหล่านั้นอยู่เสมอสมออีกทั้งตัวท่านยังได้อาศัยการจดบันทึกควบคู่ไปกับการทบทวนธรรมะอย่างตลาดตาเนื่องอีกด้วยเรียกว่านังสือในห้องสมุดนี้อ่านทุกเล่มเลย ท่รรมหาเสนาบดีได้จดบันทึกควบคู่ไปกับการทบทวนธรรมะมากข้ามมากเข้าตัวท่านยังได้มองเห็นความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของหัวข้อธรรมะต่างๆมากขึ้นไปเรื่อยๆและยังท่ามหาเสนาบดีได้เข้าไปสอบถามธรรมะกับพระมหาเถระแล้วท่านก็ยิ่งเกิดความจําแจ้งในธรรมะที่ตัวท่านได้ศึกษามากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม ไม่เพียงแค่นั้นหลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในและก็ได้ไปศึกษาวิชาธรรมกายกับพระมหาเถระแล้วท่านก็ยิ่งเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะทั้งภาคปริยัตและภาคปฏิบัติอย่างแตกฉานและเมื่อท่มหาเสนาบดีมีความรู้ความเข้าใจอย่างแตกฉานแล้ว แต่กะไดนธรรมะเหล่านั้นมาเทศสอนและถ่ายทอดไอ้สาธตจริงผู้มีบุญได้รับฟังกันแบบเคลียร์คัชัดเจนในทุกประเด็นและทุกรายละเอียดชัดบ่นี่เนาะชัดเนาะ <c oughs> สำหรับลักษณะการเทศสอนธรรมะของท่านมหาเสนาบดีนั้น จะมีความพิเศษและโดดเด่นกว่าการเทศสอนทั่วไปในยุคสมัยนั้นีเกล่าวเจ น, นิกะพระการเทศสอนธรรมะโดยทั่วไปในยุคสมัยนั้นจะมีลักษณะคล้ายคลากับการสวดหรือการท่องธรรมะที่เป็นบทร้อยกลองให้สาธุชนผู้มีบุญได้ฟังโดยไม่ได้มีการอธิบายหรือขยายความใดๆเพิ่มเติม แย่งเช่นธรรมะคือคุณากรกว่าไปเลยแต่ไม่ได้ขยายความคุณากรคืออะไรอย่างนี้แต่สำหรับการเทศสารธรรมะของท่านมหาเสนนาบดีในพุทธันดรนที่ผ่านมาหลังจากที่ท่านได้สวดหรือท่องธรรมะที่เป็นบทร้อยครองให้สาธุชนผู้มีบุญฟังแล้วท่านก็จะนำมาหัวข้อธรรมะที่อยู่ในบทร้อยครองธรรมะนั้น อธิบายขยายความเพิ่มเติมพร้อมกับยกตัวอย่างให้สาธิชนภูมิบุญเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาธรรมะอย่างแจม่มแจ้งเรียกได้ว่าการเทศน์สอนธรรมะของท่านมหาเสนาบดีนั้นได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นเลยทีเดียวนี่ไม่ธรรมด า, า, านอกจากท่านมหาเสนาบดี จะสามารถเทศสอนธรรมะได้แบบเคลียร์คัดชัดเจนในทุกประเด็นและทุกรายละเอียดแล้วธรรมารเสนาบดียังสามารถนำธรรมะที่ตัวท่านได้ศึกษามาเนี่ยมาเขียนเป็นตำลับตำราที่เข้าใจได้อย่างง่ายๆแล้วก็มีการอธิบายขยายความในส่วนที่มีความหมายลึกซึ้งอีกด้วยมาเป็นเช่นนี้จึงทาให้พระภิกษุสงฆ์ที่ออกบวชในภายหลัง มีแนวทางในการศึกษาธรรมะดิ้งง่ายขึ้นอีกทั้งยังมีแบบแผนในการฝึกฝนอบรมตนเองได้อย่างมีมาตรฐานและก็สามารถนําไปเทศสอนญาติโยมได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย<ะ>และโดยตํำรับตํารางท่านมหาเสนาวดีนี้เองจึงทําให้การเผยแผ่พระพรุทธศาสนาวิชาธรรมการในยุคสมัยนั้นมีลักษณะหรือรูปแบบที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แล้วก็สามารถแพ่ขยายออกไปได้อย่างกว้างขวางนี่นะจ๊ะและเมื่อเวลาผ่านไปาำรับตาราของธรหมเสนาบดีก็ได้กลายเป็นคู่มือสาคัญในการศึกษาธรรมะจะ่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในวงการของคณะสงฆ์ในยุคสมัยนั้นนอกจากทานหมาเสนาบดีจะเขียนตำรับตำราที่กอให้เกิดประโยชน์ ต่อวงการคณะสองเป็นอย่างมากแล้วธรรมาเสนาบดียังได้สร้างห้องสมุดพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพือ่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความ ร, รู้ธรรมะสำหรับคณะสองและมหาชนผู้มีบุญทั้งหลายอีกด้วยเขาเรียกได้ว่าธรรมาเสนาบดีได้ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อที่จะกับงานพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงภายหลังจากที่ท่าาเสนาบดี ้สร้างทีมงานพระาจารย์รุ่นใหม่ๆขึ้นมาแบ่งเบาและดูแล ง, งานเผยแผ่และพะุทธศาสนาวิชาธรรมกายแทนตัวท่านแล้วท่านมหาเสนาบดีซึ่งในขณนะนั้นนี่เรากำลังพูดถึงพุทธเดชที่ผ่านมาแล้วจะอายุของท่านเริ่มมากขึ้นแล้วก็เลยมีเวลาให้กับภารกิจที่ตัวท่านรักและอยากจะทำมากที่สุด นั่นก็คือการนั่งสมาธิและการเขียนตำราประการทางพระพุทธศาสนานั่นเองโดยตัวท่านจะศึกษาค้นคว้าธรรมะภาคปริยัตตต่างๆจากคำพี์โบราณในพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เสมอและวมาท่านมหาเสนาบดีศึกษาธรรมะ จาพระคำพีแล้วเกิดการติดขัดหรือเกิดข้อสงสัยตรงจุดไหนตัวท่านก็นจะใช้วิธีนั่งสมาธิพร้อมกับ น, น้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งลงมาในกลางองค์พระธรรมกายที่ตัวท่านเข้าถึงเพื่อค้นหาคำตอบทั้งกล่าวด้วยตัวของท่านเองสิ่งท่านมาาศันาบดีในพุทธนดรที่ผ่านมา จะมีความสุขกับการค้นหาคำตอบจากการหลับตาเจริญสมาธิภาวนาอย่างนี้แบบนี้เป็นอย่างมากจะเป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะเมื่อก็ตามที่ตัวท่านได้หยุดใจนิ่งๆลงไปในกลางองค์พระธรรมกายความรู้แจ้งจะเกิดจากการเห็นแจ้งในกลางองค์พระธรรมกาย จะเป็นความรู้ที่มาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์อย่างไม่มีประมาณแบบที่ตัวท่านไม่เคยพบหรือเคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนจะไปทลายความสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจของท่านอย่างสิ้นเชิงเออยี้ก็ดีเหมือนเนาะมีห้องสมุดในตัวเนาะมีประไตรปิฎกในตัวมาเป็นเช่นนี้จึงทําให้ท่านมหาเสนาบดี รู้สึกมีความสุขและเป็นสุขใจในทุกครั้งที่ได้ดัสมาธิเพื่อค้นธรรมะภายในแต่ต่างาัมะเสนาบดีพบเจอกับหัวข้อธรรมะที่มีความละเอียดลึกซึ้งและยากเกินกว่าที่ตัวท่านจะสามารถก้อนคว้าได้ในตัวท่านเองแล้วธรรมะเสนาบดีก็จะนําหัวข้อธรรมะดังกล่าว ไปสอบถามกับพระเถระผู้สืบทอดวิชาต่อจากพระมหาเถระเพื่อไขความกระจ่างในหัวข้อธรรมเหล่านั้นอยู่เสมอเสมอแล้วด้วยเหตุดังที่ได้กล่าวไปแล้วที่เองจึงทําให้ธรรมะเสนาบดีกลายเป็นพระเถระผู้เป็นประหูสุดที่มีความแตกฉานและทะลุโปร่ปรงในธรรมะอย่างสสุดองค์หนึ่งในยุคสมัยนั้น โดยเฉพะ อ, อย่างยิ่งมาท่านมหาเสนาบดีของเราแต่ีโอกาเขาเป็นนั่งธรรมะและศึกษาวิชาธรรมกายทีละเอียดลึกซึ้งกับพระเถรละผู้สืบทอดวิชาจางตลอดต่อเนื่องแล้วธรรมะภายในธรรมาเสนาบดีก็ยิ่งทวีความก้าวหน้าและมีความละเอียดลุ่มลึกมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมแบบมากๆเลย และเจ้าท่มหาเสนาบดีให้ความสำคัญกับการนั่งธรรมะและการเขียนตำราธรรมราทางพระพุทธศาสนาในช่วงบั้นปลายของชีวิตแล้ว ร, รมหาเสนาบดียังชอบที่จะเดินทางเอาไปตรวจเยี่ยมให้กําลังใจให้ธรรมะและตอกย้ําเป้าหมายดมการในการบูรสร้างบา ร, รมีและกัทีมงานพระภิกษุที่ทำหน้าทีเ่เผยแผ่ธรรมะที่ประจําอยู่ตามวัดสาขาต่งางๆ ทั้งภายในและภายนอกแหวนอีกด้วยเมื่อมาถึงจุดนีล้ลูกนักเรียนอุบาลทุกคนจะเห็นว่าท่านมหาเสนนาบดีของเราได้ใช้วันเวลาที่มีค่าของท่านไปกับการตั้งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังเดยชีวิตเป็นเดิมพันเสมอมา อีกทั้งตัวท่านยังเป็นต้นบนต้นแบบและเป็นที่พึ่งหกับศิสยานุสิทธิ์ทางพระวิสุทธิ์สำเนาออรวมถึงมหาชนผู้มีบุญในยุคนั้นเรื่อยมาเรียกได้ว่าทุกอนุวินาทีาท่านมหาเสนนาบดีนั้นตัวท่านไม่เคยไม่เค ย, ไ ม, เคยไม่เคยหายใจทิ้งไปฟีฟรีเลยพ<า>ราตัวท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาและโลกในยุคนั้น อาวอย่างมากมายดังนั้นเมื่อการเวลาได้โล่งลอยมาจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตต่านมาเสนาบดีผู้เปรียบประดุษขนพลกล้าแห่งกองทัพธรรมจึงไม่รู้สึกหวาดกลัวหรือหวั่นเกรงแต่มรณะภัยเพราะภายในใจท่านมีแต่ความบ่องใสสว่างสวัยอังเกิดจากผลแห่งบุญทุกๆบุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจทุ่มเทรำมาตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นบนที่ตัวท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมบนที่ตัวท่านได้ตั้งใจออกบวชอยู่ในเพสส น, นะบนที่ตัวท่านได้ตั้งใจเผยแผ่งงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางได้ผ่านการเทศสอนและผ่านตำรับํำราที่ตัวท่านได้รวบรวมและเรียบเรียงเขียนขึ้นมาเป็นต้น โดยเฉพาะยังเย่งผลึ่งบุญที่ตัวท่านได้ออกบวชแล้วได้ศึกษาวิชาธรรมกายกับพระมหาเถระและพระเถระผู้สืบทอดวิชาซึงเป็นบุญที่ตัวท่านเ ป, ปลื่พิติลัภาพภูมิใจที่สุดเลยทีเดียว<า>และในทันทีที่ลมหายใจที่เป็นใบประการสั่งสมบุญสร้างวัดมีหมดลงใ น, นช่วงเวลานั้นใจของท่านก็ได้จรด์นั่งอยู่ในกลางวัดธ ร, รรมกาย ในที่สว่างสวยอย่างไม่มีประมาณซึ่งกระส่งผลน้ำไมธนมาหนาเสนาบดีเดินทางอวาากชายหยาบซึ่เป็นร่างทเทตัอาศัยใช้ในการสร้างบารมีได้อย่างสมภาคภูมิของนักรบกล้าแห่งกองนับร<า>มอย่างจากที่ธนมาหนาเสนาบดีได้ละสังขาลงไปแล้วตัวท่านซึ่งในขณะนั้นเป็นกายละเอียดก็ได้มองเห็นะบวงของเหล่าบดีวาและกระบวงเทวรสต ทีสุดแสนอลังการมาราตรับตัวท่านการเป็นจำนวนมากเลย oh. เมื่อท่านได้เห็นเช่นนั้นตัวท่านจึงก็รู้สึกชุ่มชื่นและปลื้มปีติใจเป็นอย่างมาก oh. จากานั้นตัวท่านก็ได้เดินแบบเลยลอยไปสู่เทวรัศลามที่ใหญ่และสวยที่สุด oh. ซึ่งเป็นลามประธานเอก oh. <c oughs> ที่ oh. อยู่ตรงกลาขงของบวนเหล่าเทาวรัทั้งหมดในทันที และการที่ท่านเทพประวัตมหาเสนาบดีจะเดินท่านกราบสูตรที่พระยาวิมังท่านในเทวโลกนั้นตัวท่านก็ได้เคลื่อนเดวอดรถที่สุดแสนอลังกางท่านไปเวียนประทักษิณรอบพระมหาเจดีย์ใหญ่ของวัดใหม่<อ>ไปทำการสกราระบูชาเป็นจำนวนทั้งหมดสามรอบเออเหมือนทุกแกเลยนะ นในระหว่างที่กระบวนเทวรรศกำลังเวียนประทัดสินรอบลัมมหาเจดีย์ใหญ่อยูอยนน่นั้นนี่กำลังพูดถึงพุทธนรนที่ผ่านมาภ <Yeah. S 1> าพเป็นการสั่งสมบุญสร้างประมีที่ตัานเทพบุตรมหาเสนาบดีและตั้งใจทุ่มเทการทำเอาไว้อย่างเอาชีวิตปเป็นเดิมพันก็ได้มาปรากฏฉายตัวท่านเห็นแบบฉากต่อฉากช็อตต่อช็อตแบบนันสต็อกกันเลยทีเดียว เม่าเถรบุตรมหาเสนาบดีได้เห็นภาพการสังสมบุญทุกทุกบุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจทุ่มเทสังสมพระวิเช่นนั้นแล้วตัวท่านก็รู้สึกปลื้มปิติอิ่มเอิบและเบิกบานใจอย่างไม่มีประมาณอย่างสุดๆแล้วท่านเถระบุตรมหาเสนาบดีก็ได้เคลื่อนขบวนเทวรสที่สุดแสนน่าังคารด้านกลับสวดดุสิตบุรีวงบุตพิเสแคร็ บ, บรมโปวิสัตต์ได้อย่างสง่า ง, งาม สมกับเป็นนักลบกล้าแห่งกองทัพรรมดูสิบบุรีจ้า หลังจากที่ท่านเทพบุตรมหาเสนาบดีได้เดินทางกลบับไปเซอร์เดวบุรีวงบรมิเศษบรมบุรุษศัตรูเรียบร้อยแล้วบรรดาศิษยานุสิทธ์ต่างก็ได้ร่วมใจกันจัดงานส่ง ร, ร่างนักรบกล้ า, ยยางของทัพธรรมอย่างสมเกียรติและสมภาคภูมิอย่างสุดสุดสดงงานนันกล่าก็ได้มีคณะพระภิกษุสองฆ์จากทั่วทุกสารทิศและมหาชนผู้มีบุญ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนเธอทั่วไปเคราหาบหดีไฮโซหรือก็เิยการชั้นใหญ่เ ร, รมไปถึงพระราชาผู้ปกครองแคว้นและพระราชาจากต่างแคว้นเป็นต้นเ oh. ดอะทำพา ร, ร่วมงานันกราบกันอย่างล้นหลามกันเป็นจํานวนนมาก oh. และนับจากนั้นเป็นต้นมาสิ่งที่ธรรมาเตนาบดีเพื่อเปรียบประดุดขุนพลกระแงของทัพท่ามได้สถาปนาและได้ทุ่มเทธรำมาตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นาศาสนาสถานหรือาศาสนาบุคคลต่าง ๆ, างๆงรวไปถึงาศาสนาธรรมเช่นตำรบตำราทางพุทธาศาสนาที่ตัวท่านได้ทุ่มเทศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงเอาไว้เป็นต้นก็ได้กลายเป็นแม่บทและมรดกชิ้นสำคัญในการเว้แบบ่พุทธาศาสนาวิชาธรรมการในยุคสมัยนั้นในเพียงแค่นี้เกียรติประวัติอันงด ง, งามและดีงามของท่านมหาเสนาบดี ได้ถูกจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์กลาเป็นต้นบุญน้ำแบบในการสร้างบารมีควบคู่ไปกับการเผยแผ่พุทธศาสนาวิชารธรรมกายในยุคนั้นสืบไปอีกด้วยาจากเรื่องเคสสต ด, ดี้ของท่านมหาเสนาบดีอยอดขุนพลนักครบกล้ายแห่งกองรับธรรมในพุทธนนท์ที่ผ่านมาที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันมานี้ก็สอนให้เราได้รู้ว่า ชีวิตที่ประเสริฐที่สุดก็คือชีวิตที่ได้เกิดมาสร้างบา ร, รมีถือเป็นเช่นนี้ก็เพราะทุกๆชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรกรมซึ่งเป็นกฎสากรทั้งสิน้นอีกทั้งบนนี่แหละที่เป็นบ่อเกิดและเป็นเบื้องหลังของความสุขความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงสมดังพุทธพท ธ, ธิวาสุขขอบุญยศอุจยโย การสั่งสมบุญนำสุขมาให้ฉะนั้นเราจรึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นคสอนที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเพื่อที่เราจะได้ดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามด้วยความไม่ประมาทอีกทั้งเราจะได้ตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบา ร, รมีและกระพฤติดีปฏิบัติชอบ ตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเช่นละชั่วทําดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเรียกธรรมทานรักษาศีลเจริญสมรติภาวนาเป็นต้นถิ่นฐานกระทําได้เช่นนี้ชีวิตการสร้างบารมีของเราจะได้อยู่รอดปลอดภัยและก็มีชัยชนะในเส้นทางการสร้างบารมีไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมือนอย่างเช่นท่านหมาเสนาบดีผู้เป็นที่รักจริง ของพวกเรานั่นเองสำหรับเรื่องราวเคสดิง้งท่านมหาเสนาบดียาติขุนพลนักลบกลางกองทัพท่านในพุทธนดอนที่ผ่านมาก็คงจะต้องจบลงพอสังเขตแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการเช่านี้